สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวตยเยซูตอนที่ห้าร้อยสิบแปดเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ยี่สิบสามประชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็จะต่อจากเช้าเมื่อวานนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ดข้อที่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะครับฮีบรูบทที่เจ็ดข้อสิบเอ็ด ถึงข้อ21โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรก็ดีถ้าพวกปุโรหิตเผ่าเลวีนำมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์ได้ด้วยว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติโดยระบบนี้ฉะนั้นจะต้องมีปุโรหิตอีกตามแบบอย่างของเมลคีเสดกแทนพวกปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรเ่าเพราะเมื่อตำแหน่งปุโรหิต เปลี่ยนแปลงไปแล้วธรรมบัญญัติก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าท่านที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่นซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีผู้ใดเคยทําหน้าที่ปฏิบัติที่แท่นบูชาเลยและเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาห์โมเสสไม่ได้ว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านั้นเลย ข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามแบบอย่างของเมลคีเสเดกผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่วิดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำลายได้เพราะมีพยานถึงท่านว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิษ์ตามแบบอย่างของเมลคีเสเดก พระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะขาดฤทธิ์และไรประโยชน์เพราะธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถนำมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์ได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั้นเองเราจึงจะเข้าใกล้พระเจ้าได้ที่ว่าดีกว่านั้นก็เพราะว่าบุโรหิตใหม่คนนี้ พระเจ้าทรงตั้งขึ้นโดยทรงสาบานไว้บรรดาปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตําแหน่งแต่ส่วนปุโรหิตใหมน่นี้มีคํากล่าวปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทยัยท่านเป็นปุโรหิตตลอดกาลพี่น้องครับเราจะเห็น สิ่งที่พระเยซูได้เป็นก็คือเป็นมหาปรุรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสดกในเช้าวันนี้เราสามารถที่จะสรุปพระเจนะของพระเจ้าและเราเห็นถึงคุณสมบัติหรือพระลักษณะของพระเยซูอย่างน้อยห้าประการด้วยกันที่นี่การเป็นมหาปุริหิตของพระเยซูนั้นข้อที่หนึ่ง นำเราไปสู่ความสมบูรณ์ได้ข้อที่สองพระเยซูเป็นมหาปุริตเป็นนิดเป็นนิดหมายความว่าตลอดไปครับตลอดการประการที่สามก็คือพระเยซูนั้นได้เป็นจุดเริ่มต้นของฤทธิเดชและการเกิดประโยชน์ ต่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายประการที่สี่พระเยซูนำความหวังที่แท้จริงมาถึงพวกเราและประการที่ห้าพระเยซูพาเราเข้าใกล้พระเจ้าพีนงครับนี่คือพระลักษณะหรือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทาโดยตัวของพระองค์เองนั้นพระองค์แอคชั่นเป็น มหาปุโรหิตซึ่งตามแบบอย่างของเมลคีสเด็กเราจะดูต่อนะครับว่าจากตรงนี้นี่เองทำให้เกิดผลตามมาก็คือเกิดพันธสัญญาครับพันธสัญญานี้อยู่ในข้อที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบกล่าวว่าปุโรหิตใหม่คนนี้พระเจ้าตั้งขึ้นโดยทรงสาบานคาว่าสาบานนั้นในฉบับ king james แปลว่าทรงปฏิญาณครับ และการปฏิญาณนี้อยู่ในข้อที่21ซึ่งกล่าวอ้างในสวดดีซึ่งอยู่ในพระคัมพีเดิม110ข้อที่4จะกล่าวอ้างพระกัมพีเดิมนะครับตามที่พระกัมพีเดิมในบทที่110ของสุดีเขียนอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทยัยและท่านจะเป็นปุโรหิตตลอดกาลในข้อ22บอกว่าข้อนี้กระทําให้พันธสัญญา ที่พระเยซูทรงรับประกันนั้นดีกว่าพันธสัญญาเก่าที่นี่เราจะเห็นนะครับว่าเป็นพันธสัญญาใหม่นะครับนอกเหนือจากพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าประทานผ่านโมเสสพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าประทานผ่านองค์พระเยซูคริสต์มหาปุโรหิตพันธสัญญาเดิมคือระบบเดิมที่ปุโรหิตนั้นสืบเชื้อสาย นะตกทอดมาจากอารอนนะครับอารอนซึ่งเป็นเผ่าวีแต่ในขณะที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเป็นมหาผลิตที่สืบทอดมาจากเชื้อสายเผ่ายูดาครับซึ่งตามพระบัญญัติแล้วพระองค์เป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระบัญญัติจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูนั้นจะต้องเป็นพันธสัญญาใหม่ นะครับหรือกลายเป็นการปฏิ ญ, ญาณใหม่ที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นโปรงมาจากเผ่ายูดานะครับตรงนี้เองในพระธรรมฮีบรูผู้เขียนพยายามที่จะให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่าพันธสัญญาใหม่นั้นมหาผลิตคนใหม่ล่าสุดนะครับและจะไม่มีมหาผลิตใดๆอีกเลยที่จะมาแทนที่มหาผิตนั้น ก็คือเป็นแบบตามแบบอย่างของเมลคีเสดกในขณะเดีวยวกันครับนำของใหม่เข้ามาถึงผู้ที่อยู่ในพระองค์นะครับผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์อยู่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุริตตลอดการตลอดไปเป็นนิตและพระเ้าประทานแล้วนะครับพระเจ้าทรงสัญญา และโปร่งจะไม่เปลี่ยนภาษไทยพี่น้องครับในข้อยีิบสองกล่าวต่อไปว่าพันธสัญญาใหม่นี้ดีกว่าพันธสัญญาเดิมสักเพียงใดหมายความว่าไงครับหมายความว่าดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าผู้เขียนฮิบรูกําลังบอกกับพวกเรา ว, ว่าเมลคีเสดกและพระเยซู ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากเผ่าเลวีนอกจากนี้ตำแหน่งมหาปุโรห uh ิตของพระเยซูพระเยซูคริสต์นะครับก็มีพลังแห่งชีวิตที่ไม่มีสิ้นสุดตลอดไปเป็นนิจและถูกสถาปนาไว้โดยคำสัญญากลายเป็นพันธัญญาหรือพันธสัญญาหรือพันทะนะครับที่พระเจ้าผูกพันตัวพระองค์เอง พระเยซูและกับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับเราไม่จำไม่เราไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งปุโรหิตอื่นๆ อ, อ, อีกแล้วนะครับเรามีตําแหน่งปุโรหิตซึ่งเป็นมหาผลิตของเรานะครับคริสเตียนผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ปร่งจะเป็นมหาผลิตของเราตลอดการและทําให้เกิดความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ผมได้ว่ามาแล้ว เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปนะพี่น้องห้าประการครับสิ่งที่พระเยซูนํามาซึ่งชีวิตของเราประการแรกก็คือความสมบูรณ์พี่น้องคงจําได้นะครับพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อท่านเจ้าหมายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์คําว่าครบบริบูรณ์นั้นมีความหมายร่างกายครอบคลุมถึงจิตใจครอบคลุมถึงจิตวิญญาณครอบคลุมถึงสังคม ขอบคุณถึงทุกสิ่งทุกอย่างทางกายภาพและจิตภาพประการที่สองครับพระเยซูจะเป็นปุโรหิตเป็นนิดหมายความว่านะครับพระเยซูเป็นมหาผลิตก็คือพระเยซูนําการไถ่าบาปการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าตลอดไปประการที่สามก็คือในพระเยซูนั้นประกอบด้วยรทธิ์เดชครับและการเกิดประโยชน์ ต่อชีวิตของเราพี่น้องครับหากว่าเรายังไม่เคยสัมผัสฤทธิ์เดชการเปลี่ยนแปลงนะครับการอัศจรรย์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระเยซูมีครับและเราพรยายามอย่างยิ่งที่เราจะได้รับฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าในมัทธิวบทที่28ข้อ 19-20 ได้พูดชัดเจนครับ พระานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีประทานให้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าในพระเยซูนั้นมีฤทธิเดชและเกิดประโยชน์ประการที่สี่ครับพระเยซูเป็นความหวังของเราทั้งหลายเป็นความหวังนิรันดรของเราทั้งหลายด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายแสวงหาในโลกที่มืดมนเราปรารถนาที่จะ มีความหวังเราปรารถนาที่จะได้รับความหวังความหวังใจนี้เราจะรับได้ด้วยความเชื่อครับพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูความหวังเกิดครับความหวังเกิดจากการที่เราได้ผูกพันตัวเองกับพระเยซูผูกพันตัวเองโดยการเชื่อโดยความเชื่อและผูกพันตัวเองเข้ากับพระวจนะของพระเจ้าและประบบการสุดท้ายพระเยซูนั้นเป็นผู้เดียวที่นำเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ นำเราเข้าสู่ในอภิสุทธิสถานก็คือนำเราเข้าหาการยกบาปนำนำเราเข้าหาการอภัยโทษนำเราเข้าหาความรักพระเมตตาพระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปและตลอดกาลขอขอบพระคุณพระเจ้านะครับสำหรับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน